เอาต่อไปก็ไปดูในอัตถิฐาในสัทาปัญหาสูตรนะตอนนี้เราศึกษาในเรื่องของเนี่ยเวทนากันอยู่เนาะก็ศึกษาในเรื่องของอะไรในเรื่องของเวทนาแล้วเรื่องสมานัสเวทนาแยกเป็นสองโทมานัสเวทนาแยกเป็นสองอเวขาเวทนาแยกเป็นสองที่ควรเสดและไม่ควรก็ไปไล่ไปตามลําดัน <c oughs> ครั้งนั้นก็ไล่ไปตามลําดับใช่ไหมพูดถึงในเรื่องของสมานัตเวทนา ที่ควรเสพและไม่ควรเสพแล้วก็ทมมณสเวตนาที่ควรเสพและไม่ควรเสพแล้วก็เวขาเวทนาที่ควรเสพและไม่ควรเสพเนียนะนะตรงนี้ก็ไปศึกษาสมมณสเวตนาที่ไม่ควรเสพก็เป็นไปกับตัณหา ม, มานาทิฏฐิหรือเป็นไปกับเขาเรียกเคหสิตาสมมานาที่อาศัยเรือนคือเคหาศิตะอาศัยเรือนในที่นั้นก็คืออาศัยกามมา MORE, คุณเห็นไหม กามาคุณก็เป็นชื่อของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกามาคุณนี้เป็นเครื่องผูกใช่ไหมเป็นเครื่องผูกเป็นเครื่องมัดที่จริงนะมีสองส่วนนะไอตัวที่เข้าไปผูกจริงๆก็คือตัวกิเลสกามไอกิเลสไอวัตถุกรรมมีมันอยู่ปกติใช่ไหมแต่ว่าการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เป็นต้นเหล่าเนี้ยก็แปลว่ากรรมที่เราทนะํานั้นมันผูกพันกับไอตัววัตถุกรรมเนี่ยเพราะตัวขันก็คือตัววัตถุกรรมใช่ไหม นั้นยินดีในตาหูจมูกเลี้ยกายใจก็คืออีตัวตวัตถุกรรมนี่แหละประเด็นอยู่ตรงนี้ก็คือว่าสมานัตเวทนาที่ควรเสพท่านบอกอย่างนั้นนะไม่ควรเสพพึงเสพสมานัตเห็นปานนั้นก็คือเสพสมนัตที่เป็นได้ขมารเห็นปานนี้ชื่อว่าสมานัตที่ควรเสพที่เป็นได้ขมารผู้ที่เกิดสมานัตว่าเราได้ขวนขวายในการเจริญวิปัสนาผู้สามารถเร่งเล่าใจตัวเองให้ขวนขวายเริ่มตั้งวิปัสนาปัญญาจนสามารถท่านใน ห, หลักจริงๆท่านจะพูดเรื่องไตรลักษ แต่ในชั้นของในชั้นของดีกาเนี่ยนะท่านบอกว่าที่ในหลักที่ท่านพูดถึงตรายลักษณ์แปลว่าในด้านของนามรูปปริเฉทยานปัจจยาปริกหายานนั้นท่านพูดไว้ก่อนหน้า น, นั้นคือให้ต้องเข้าใจว่าจริงๆเนี่ยไอ้สองยานนั้นท่พูดกันมาจนชัดแล้วก็เหมือนที่เราพูดกันเรื่องเวทนาใช่ เราพูดจนลักษณะรักษาไปเจุอประธานประตุฐานของเวทนาแล้วก็พูดถึงเหตุปัจจัยของเวทนาค่อนข้างที่จะมานานแล้วเนี่ยแต่พอมาพูดตรงนี้ท่านบอกว่าถ้าจะเวทนาที่ผลเสพที่อาศัยเนคขมมะอาศัยอะไรวิปัสนาท่านก็เรียกว่าเนคขมมะปฐมฌานเบื้ต้นก็เรียกว่าเนคขมมะสูงสุดจริงๆนี่ผานนียังเป็นเนคขมมะเลยเพราะเป็นตัวออกจากภพไหมฉะนั้นเนคขมมะตอ น, นั้นเป็นชื่อของการออกจากกามออกจากภพคนที่เขา มีอัธยาศัยในเน่ฆมารก็พิจารณาดูพระโพธิสัตว์เพระโพธิสัตว์เนี่ยเวลาท่านบเนนำเพ็ญเน่ฆมารบารมีแปลว่าท่านเบื่อเลยเอาเราดูอย่างนี้เราดูตอนที่สุเมธะดาวดบทใช่ไหมสุเมธาดาวด์บทจะมีทรัพย์อยู่หลายแสนโกดพ่อพ่อแม่ชิงกันตายไปเสร็จไม่ใช่ไม่คือตายไปแล้วไม่ชิงกันตา ย, ยานี่นึงพ่อแม่ตายไปหมดแล้วเนี่ยท่านก็มาเริ่มคิด ตอนนั้นก็คือพนักงานต่างๆฝ่ายที่ดูแลการเงินการคร้างของท่านก็เอาเงินมาบอกเปิดเดินค้างให้ดูก็บอกนี้เอาบัญชีมาบอกอันนี้ของปู่ของทวดของย่าของตาของยายของพ่อของแม่เป็นส่วนของจะรับเบสเศต็ตมาโอ้โหเรื่องเงินทอง น, นี่เป็นภาระมากใช่ไหม<อ>ก็เลยไปหาพระราชาบอกว่าตนเองเนี่ยถูกไฟถูกไฟสิบเอ็ดกองเนี่ยมันเผา ไฟคือราคาโทส่ามโมหาเป็นต้นเนี่ยไฟกุชาติชราพยาทิผพดเผาเร่าร้อนเบื่อหน่ายเหลือเกินขอถวายทรัพย์นี้ทั้งหมดให้กับพระราชาเคยเป็นแบบนี้นะัหยคนที่มีเงินกันล เ, ลกเล็กๆน้อยๆบ้างมีเยอะบ้างเลยมันโอ้โ ห, หน่ากลัวจริงเนะไม่เคยเห็นว่าเป็นไม่เคยเห็นว่าเป็นไฟเผาตลอดเลยใช่ไหม โลภะเป็นไฟไหมถามว่าเคยเป็นดั่งถามตัวเองไหมบอกว่าทําไมเราจะมานั่งเผาตัวเองอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกวันไม่ใช่คือปัญหาคือปัญหาคืออย่างที่บอกไงระหว่างระหว่างระหว่างสุจริตกรรมกับชีวิตระหว่างสุจริตกรรมกับชีวิตเนี่ยอะไรสําคัญกว่ากันใช่ไหมระหว่างสุจริตกรรมกับชีวิตเนี่ยอะไรสําคัญกว่ากันกรรอะทําไมเราตอบได้ ถ้าเราเรากรณีที่เราบอกว่าเอาศีลดีกว่านะศีลก็คือสุจริตกรรมเนี่ยตัวกุศลศีลเนี่ยกับกับชีวิตเนี่ยอะไรสำคัญกว่านใช่ไหมตัวกุศลศีลตัวสุจริตกรรมทั้งหลา ย, ยมันสําคัญกว่าชีวิตเพราะว่าแต่อย่างเราเนี่ยไอ้ทุจริตที่เราทําสุจริตที่เราก็ทํามาเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นทรัพย์สมบัติของเราอย่างเ้าเรียกเป็นทรั กรรมมาสะกาสตาที่เคยอธิบายทัตว์ทั้งหลายมีกรรมนั่นแหละเป็นทรัพย์สมบัติของตนแต่เราไปเข้าใจว่าเรามีกรรมเป็นของของตนอยู่ไหมแท้จริงเรามีสุดจริตกรรมและทุจริตกรรมเนี่ยเป็นทรัพย์สมบัติของตนเองอย่างถาวรด้วยทีนี้อันมาใช้คําว่าถาวรอยิงมันก็แต่มันดับมั น, ม, นมันไม่เที่ยงแต่ชี้เห็นว่าเราไปสําคัญบอกว่าเงินทองรัฐนาชาติทรัพย์สมบัติต่างๆมันเป็นของเราอยู่ไหม เคยพูดไว้หลายครั้งว่ามันเกี่ยวเนื่องกันเราจะบ่ยังมีลมหายใจอยู่ขนาดมีลมหายใจอยู่เนี่ยก็เกี่ยวเนื่องเฉพาะในการที่เรายังพอจะเอามันใช้ได้ตอนนั้นเองบางคนยังมีลมหายใจอยู่แต่ก็หมดสิทธิ์ในการที่จะใช้ทรัพย์ถ้านะชีวิตเนี่ยถ้าเรามาดูเบรศเสร็จแล้วถ้าเราดูว่าสัตว์ทั้งหลายเรามาพิจารณาว่าสุจริตกรรมและท็จริตกรรมที่เราทําทั้งหลายอันนี้ที่เป็นทรัพย์ที่มั่นคงเพราะมันจะตาม เราไปได้ทุกกระแสขันท่าหรือยันทาที่มันเป็นไปในพบต่างๆแต่เงินทองรัตนชาชาติต่างๆนี่มันตามไปได้ที่ไหนลูกใช่ไหมมันเกี่ยวข้องเฉพาะช่วงหายใจแล้วขนาดช่วงหายใจเนี่ยกันเอาสามีภรรยาบดีหรือบุตรเนี่ยเอาแค่ว่าอันนี่ยบอกเป็นของของเราที่มีวิญญาณครองเลยเนี่ยเราไปได้ที่ไหนล่ะมันแค่ของเราที่ไหนเนียมันเกี่ยวข้องกันนิดเดียวเท่านั้นแหละถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นว่าแท้จริงไอ้สุจเฉลี่ยทุตเฉี่ย เมื่อกี้ยมหวานบอกว่าความอยากมันไม่รู้จออักพออันนี้ยมหวานยมหวานพูดจริงนะนีะอันนี้นนพูดจริงๆเลยว่าความใช่ไหมนั้นไอความอยากตัวนั้ น, นมันเป็นทุจริต ก, กรรมอันนี้แหละมันจะตามกระแสะขันยมหลานไปพบเออยอบหวานไีหลายพบในส่วนจริงๆพอไปบางพบบางชาติมันจะกลายเป็นคนอยากไม่มีที่สิ้นสุดเพราะัายาสายที่มันไม่รู้จักเต็มเนี่ยขณะเป็นพระราชาก็ายังอยากได้เมืองคนอื่น เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็มันยังอยากได้สวรรค์ชั้นอื่นที่โดยเองไม่มีอำนาจถึงก็ก็มันเหมือนโรคมะเร็งใหม่ๆหมอเขาว่าเอาอยู่ตอนนี้เหมือนกันที่จริงน่ะก็คือเดี๋ยวถ้ามันกําเริบมันได้ปัจจัยขึ้นมาเอาอยู่หรอกของคนอื่นมันก็เอาถ้ามีอำนาจแต่ตอนนี้ไม่มีอำนาจลองให้มีอำนาจสิถ้า ถ้ามันได้เหตุปัจจัยขึ้นมาเนี่ยข้อความอยากที่มันไม่ถูกลดเนี่ยมันไม่ถูกลาเนี่ยในส่วนจริงมันเผารนหมดเลยเราต้องอยากคิดว่าสิ่งต่างๆที่มันเคยเกิดมันเคยเกิดมาแล้วในอดีตฉะนั้นตรง น, นี้ต่างหากเพราะว่าให้มองให้เห็นโทษให้เห็นโทษว่าเราสิ่งเหล่านี้ที่กําลังเกิดและเผารนใจของเราอยู่เนี่ยที่เรายังไม่เห็นโทษของโลภะเนี่ย เพราะเรายังไม่รู้ว่าไอเวทนาเนี่ยอกุสลเวทนามันหยาบแล้วมันเป็นธรรมชาติที่ขวนขวายเป็นธรรมชาติที่ใบายามันไม่อยู่นิ่งหรอกและมันให้วิบากที่เป็นทุกข์ก็ในปัจจุบันเนี่ยดูมันใช้เราดีไม่หลับไม่นอนแล้วต้องทําพืดอเพื่อเพืพ่อเพื่ออะไรแล้วใช่ไหมพอได้มาก็มานั่งนะเหมือนสมัยก่อนเลยมายโอ้อยากจะเห็นเงินหมื่นทางานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอดเนี่ยทำเนี่ยนะ ทำทำทำทำแบบเสร็จพอไปได้เงินหนึ่งหมื่นมาโอ้โหมานั่งชื่นใจเป็นอย่างนี้เลยเงินหมื่นโอ้โหเป็นอย่างนี้เองไม่เคยเห็นไงเด็กๆนะะเอามาบอกพ่อพ่อเงินเงินหมื่นเป็นเงี้ยมีเท่านี้เองคนระับทำก็อยู่บ้านนอกก็จะได้แต่ทำงานตั้งเป็นปีปๆใช่ไหมก็จะได้ใช่ไห ม, ไไหมเป็นปีๆแล้วทำอย่างเหน็ดอย่างเหนื่อยเลยนะต้องลงทุนลงแรงอย่างเยอะสมัยก่อนละข้าวก็ราคาถูกก็าวโพดตัวราคาถูก ต้องทำตั้งส า, 50, านะงมสิบี่สิบไร่ห้าสิบไร่หกสิบไร่เนี่ ย, ยดดนะกว่าจะได้เงินหมื่นเนี่ยขายได้กุในถังละยี่สิบาทคิดดูกว่าจะได้กี่ถังกว่าจะได้เงินหมื่นเนี่ยนะเพียรพยายามทำในปีหนึ่งเนี่ยมาดูโอ้โหนี่ไงเงินบอลพอมาดูแล้วก็มานั่งสังเกตเได้ละมันตรงไหน น, นี่หรือสุกเอี่เราเอาสุกไปไว้กับเงินนี่เลยตอนนั้นไม่รู้คัดพระธรรมนะก็มานั่งคิดโอ้โหเราเห็นไหม เอ้มานั่งคิดเลยนะว่าเอ๊ะทําไมเราไปนั่งสุกกับไอ้เรื่องกระดาษอันเนี้ยมานั่งคิดแล้วไม่มีใครรู้กับเราเมัสมัยก่อนไม่มีที่เก็บธนาคารก็ไม่มีบ้านนอกเนีถ้าอยู่ปากธนาคารต้องนั่งรถมาตั้งสิบสามสิบกิโลที่เนี้ก็ไปซุกไว้ในเข้อสารไม่นั่งไปซุอยู่นะกลัวหายใส่กระสอบข้าสารบ้านสมัยก่อนก็เป็นบ้านไม้ใช่ไหมเวลาไปทํางานเจรทีว่าเาาอ๊ะคนไม่อยู่บ้านนี้ใครงัดบ้านขึ้นไป บ, บ่าแล้วเขาจะรู้ไหมเนี่ยก็ไปซุกไว้ในขาอสารเนี้ สุกอยู่อย่างนั้นกะกลับมาก็ามาล้วงก็สารก็มานั่งดูกูอย่างนั้นนะเข้าใจไหมนะหนักเข้าหนักเข้าห น, นักเข้านักเข้าก็มานอนเนี่ยพอตอนนั้นยังเด็กๆอยู่นะ ก, ก็เป็นนอนที่แรกเลยนะที่แรกก็เริ่มคิดที่แรกจริงๆนะพอโตขึ้นมาเนี่ยนะวิธีคิดในตอนนั้นไอ้ความที่มันอยากจะได้เวทนา ไอเวทนาที่มีควรเสพแต่เราไม่ไม่รู้ไงนี่มาย้อนหลังม า, มาย้อนหลังเราเล่าให้ฟังมันก็มานั่งพิจารณาเนี่ยเริ่มคิดแล้วเลยบอกพ่อตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่า เ, เนี้ยโตขึ้นนะจะครอบครองทั้งหมดคิดนะพวกที่แถวนี้ยจะต้องเอาให้เป็นของเราให้หมดทีนี้ก็ก็คิดไปอย่างนั้นนักเข้าน่กเข้าก็เริ่มวางแผนตั้งแต่เล็ก วางแผ่แล้วก็ก็หาซื้อที่ไปเรื่อยๆได้ได้ไม่เยอะหรอกพอรู้ว่ามันไม่ใช่ทางแล้วก็พอแล้วใจก็เริ่มอยากออกเลยแต่เนี้ยขี่ยไม่ไม่มีสักไม่มีสักแปลงอะไรแต่เงี้ยให้ก็หมดแล้วให้ก็ก็เวลาตอนตอนตอนบวข้ามานะน้องน้องมันแต่งงานบ้างเลยรบ้างนั่นเอายกแล้วก็หมด เดี๋ยวนี้กายเป็นคนกระจอกงออยบ น, นไม่มีถ้าหากว่าพิจารณาอย่างนี้ก็เห็นโอ้เราไปเราไปบ้ากับอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมไปเอาความสุขไปไว้กับอะไรก็ไม่รู้อ่ะทั้งทั้งที่มันไม่ได้จีรังอะไรเลยไหมทั้งทั้งที่มันเป็นทุจริแล้วก็ไปเสกคุ้นมันอยู่อย่างนั้นก็ลองคิดดิปริมาณการเสภที่เราเสภ บ, บ่อยที่สุดแล้วเราไม่มีปัญญาในการที่จะรู้เลยว่านี่มันไ โสมนัสที่มันไม่ควรเสพเพราะมันเสพไปแล้วเนี่ยทําไมโสมนัสเหล่านั้นจึงไม่ควรเสพเพราะมันถาวรมันก็ไปเสพเบธนาที่มันไม่เที่ยงเพราะมันเกิดจากปัจจัยที่ไม่เที่ยงลองคิดดูปริมาณแต่ก่อนเนะี่ยเงินหนึ่งหมืนเนี่เป็นที่ตั้งของโสมนัสเวทนาพราอยู่ไปสักระยะหนึ่งมันกลายเป็นอุเบกขาเพราะคิดไปทีไรมันเฉยๆแล้วนะเข้านาามันไม่ใช่อุเบกขาอย่างเดียวกลายเป็นโธมานัสเลยตันนีไง ผัวหายใช่ไหเป็นโทมัสเวทนาเนี่ยเนี่ยหลายหคนเนี่ยออกมาไม่มีคนเป่าบ้านเนี่ยความหนี่ก็เกิดเมื่อวานก่อนก็เมื่อวานนี้เ น, นี่ยแสดงขาวอีกโยนนิวโมโบท่านต้องใจต้องรีบกลับแล้วเสแดงมันติดก็จเข้าบ้านงี้นะเอามาเลยแก้งพูดบอ้ไม่ได้นะโยมไปกลับไปไปเดี๋ยวคนอื่นก็มองไม่ดีเนี่มันเป็นหัวหน้าก็ไปกลับเลยมัน แล้วก็อาารย์ไม่กล้าพูดเพราพูดอย่างที้ใจ ร, รู้ว่าจริงๆแล้วนี่นไหมว่าเพอขนาดใจตัวมาอย่างนี้แล้วใจมันไม่ยอมถอนมันขนาดนั้นเลยนะก็จะได้เห็นสังเกตว่าพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่าพึงเสพโสมนาถิญเวทนาเห็นแบบ น, นั้นก็คือว่าเวทนาที่ควรเสพเวทนาที่ควรให้เกิดในกระแสจิตก็คือการขวัญขวายในการเจริญสมถะแล้วก็วิปัสนา การเจริญสมถาและวิปัสสนาในเวทนาเหล่านี้เป็นเวทนาที่ควรเสพเช่นพุทธานุสติเนี่ยควรเสพธรรมานุสติสังขารนุสติศีรษะจข่าอุปสมาเดวดานุส ต, ติเป็นตัวเหล่านี้นะอนุสติทั้งหลายเนี่ยควรเสพหรือการเจริญวิปัสสนาทั้งหลายโดยการที่มาวิจัยอย่างที่เอาเวทนามาวิจัอยอะเวทนาที่เป็นอดีตเวทนาที่เป็น อ, น, อานาคตเวท น, นาที่เป็นปัจจุบันเวทนาภายในภายนอกอย่าละเอียดเร็วบะเอีกลใกล้เนี่ยเวทนาต่างๆเหล่านี้เป็นเวทนาที่ การวิจัยเวทนาอย่างเนี้ยเป็นเวทนาที่ควรเสพถามว่าสมณสเวทนาที่เป็นไปกระโลภะเที่ยงไหมเที่ยงไหมเที่ยงทําไมจึงไม่เที่ยงเพราะเวทนาเหล่านั้นอาศัยอะไรอาศัยปัจจัยเป็นไปใช่ไหมอาศัยอะไรอาศัยการประชุมของเวทนาเกิดทางไหนทางทวารผ่านมีมีทางตาเป็นปัจจัยหรือมีทางหูทางจมูกทางเล่นทางกายทางใจ ให้เวทนาหกเหล่านี้ก็สังเกตดูสิอะสมมุติเราไปอยากได้ตัง ไ, ได้ได้ได้เงินไอ้ความอยากใช่ไหมมันมาจากการได้เห็นใช่ไหมหรือมาจากการได้ยินก็สังเกตดูทีทั้นเวทนาเหล่านั้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นก็อาศัยภาษาใช่ไหมภาษาที่เป็นไปทางตาวานตาหูจมูกเลี้ยกายใจถ้าภาษาก็ไม่เที่ยงว่าภาษาก็เป็นธรรมะที่เกิดจากปัจจัยนั่นาพิจารณาดูเอา้าเห็นไหมเวทนาเป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งเท่านั้นเอง เขารเป็นสภาวะหรือทําให้สัตว์นั้นยินดีแลนะที่บอกว่าเวทนาความรู้สึกเป็นสภาวะาการเสวยอารมณ์หมายถึงการเสวยรสของอารมณ์หรือทํารสของอารมณ์ที่ไม่ปรากฏชัดให้ปรากฏชัดก็แปลว่าอะไรให้ประจักษ์ชัดกับสัมยุทธธรรมหรือแก่บุคคลผู้มีเวทนาแล้วเราก็ไม่ต้ ม, มาเข้าใจว่าไอ้สภาวะาการเสวยอารมณ์สภาวะทําให้สัตว์ชอบใจหรือไม่ชอบใจเนะี่ยหรือว่า การเสวยอารมณ์เนี่ยสภาวะต่างๆเหล่านี้เป็นชื่อของเวทนาไอเวทนาต่างๆเหล่านี้ทําไมชีวิตเราจะต้องไปขึ้นตรงกับไอตัวเวทนาตัวนี้ใช่ไหมอ๋อเพราะเราไม่รู้จักเวทนาที่มันเป็นไปกับโลภเวทนาที่เป็นไปกับโทสะเวทนาที่เป็นไปกับโมหะหรือเวทนาที่เป็นไปกับกุศลเวทนาที่มีควรเสพแต่เราไปเสพเวทนาเหล่านั้นมันยุ่งเลยใช่ไหมคือเวทนาที่มันเกลือกลัวกับตัณหา มันนี่เองน้ำหนองคือตัณหาน้ำหนองคือโทสะน้ำหนองคือโมหะนี่ไหลอาบเราชอบมากในเวทนาแบบนี้ใช่มั้มทั้งๆ ท, ที่เวทนาเหล่าเนี้เกิดจากปัจจัยเป็นสภาวธรรมชนิดหนึ่งไม่ใช่สัตว์บุคคลด้วยอไม่ใช่สัตว์บุคคลด้วยเราเอาอะไรมาแลกมันให้มันเกิดใช่ไหมบางครั้งก็เออเอาเสียงที่เพอาๆเพลาะใช่ไหมเอารสที่อร่อยอร่อยเอากลิ่นที่อหอมหมเอาส้นผาที่นิ่มๆเอาเรื่องราวต่างๆที่เรา คิดหรือวางแผนต่างๆเหล่าเนี้ยออกมาใช่ไหมว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเสร็จแล้วก็ไปอยู่กับเวทนาเหล่านั้นทั้งที่เวทนาเหล่านั้นน่ะเปลี่ยนมาไม่รู้กี่ล้านล้านครั้งเอาลองมานึกดูทีในอดิตในปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยถ้าพูดว่ายอมมงคลตอนตอ น, ตอนเรียนหนังสือพอเรียนจบ ก็หางานทํายู่ไหมไม่ต้องนะก็ทำงานเลยใช่ไหมตอนนั้นจริงๆก็คือหวังจะได้สุขเวทนาใช่ไหมแล้วต่อมาก็มาแต่งงานใช่ไหมคิดว่าแต่งงานจะมีความสุขใช่ไก็เห็นว่าดีนะเอง แต่ว่าจริงๆไม่เข้าใจว่าคือปรารถนาเวทีจะเสพเวทนาที่อาศัยอาศัยวัตถุไงเวทนาที่อาศัยเรือนไงอาศัยวัตถุกรรมนั่นเองเออก็เอ า, เอามีลูกน่าจะดีขึ้นลูกแต่งงานน่าจะดีขึ้นใช่ไหมก็อยูงอย่างนี้ใช่ไหมเราเสพเวทนาที่อาศัยเรือมนมาตลอดอาศัยวัตถุกรรมมาตลอดแล้วดูทีแล้วเวทนาเหล่านั้นเที่ยงไหมเนะี่ยหมดไปหมดหรือยงัง ไม่เที่ยงหมดไปแล้วแล้วยังก็หวังกับมันอยู่นะตอนเนี้ยหวังว่าเขายังจะต้องเขาจะพาเราฟังธรรมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมฮะฝังไว้หวังว่าจะพาเรามาฟังธรรมบางครั้งก็ไม่ได้มาใช่ไหมนั่นแหละเห็นไหมเนี่ยถึงบอกว่าจริงๆสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือว่าเวทนาที่พึงเสพถูกแล้วกรณีที่น้อมมาศึกษาพระธรรมนั้นเป็นเนคขมมะ ทีนี้เราได้ขวนขวายในการเจริญวิปัสนาผู้สามารถเร่งเร้าให้ขวนขวายเริ่มตั้งวิปัสนาเริ่มหน้าที่ไตรลักษ์ได้สมมุตินะนะารูปปริเฉทญาณปัจจิยาปริกหายานรู้ปัจจัยของเวทนาเหล่านั้นเป็นต้นไในสุนจริๆก็เห็นความไม่เที่ยงของเวทนาเพราะปัจจัยของเวทนามบบนี้เราก็จะเริ่มเข้าใจว่าเวทนาอยาบ ก, ก็ไม่เที่ยงเวทนาละเอียดก็ไม่เที่ย ง, ก, ยงกุศลเวทนาก็ไม่เที่ยงอกุศลเวทนาก็ไม่เที่ยง เวทนาภายในก็ไม่เที่ยงเวทนาภายนอกก็ไม่เที่ยงใช่ไหมเวทนาไกลก็ไม่เที่ยงเวทนาใกล้ก็ไม่เที่ยงเพราะปัจจัยของเวทนาเหล่านั้นไม่เที่ยงเรื่อเข้าใจเลยทีนี้ยทีนี้มาเข้าใจในลักษณะอย่างนี้เวทนาที่เป็นในตนวารหนั้นไม่เที่ยงในทวารเหล่านั้นโสมนาติยาัยเนกขมายหอย่างฉะเนคขมะเนคขมะสีตานิโสมนาสาเนี่ยเป็นฉชไหนคือว่าก็มือคนรู้ รูปทั้งหลายไม่เที่ยงแปลปวนคลายไปดับไปแล้วก็เห็นรูปนั้นด้วยปัญญาที่ถูกต้องตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปนั้นทั้งหลายนะเมื่อทั้งก่อนและบัดนี้รูปเหล่านั้นทั้งหมดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปลบวนเบญจมบดาจึงเกิดสมณนัตว่าสมณะเทตปันี้เรียกว่าสมณะใสเนกธรรมตรงนี้คืออย่างนี้นะอธิบายฟังอย่างนี้ก็แล้วกันว่าการวิจัยรูป การวิจัยเห็นรูปเวทนาถามว่าเวทนาอาศัยรูปเป็นอารมณ์ได้ไหมอาศัยเสียงได้ไหมอาศัยกลิ่นก็ได้อาศัยรสอาศัยสัมผัสคือตัวในขณะที่ไปเห็นนี่ยนะตัววิปัสนาที่ไปวิจัยเย่อมสมัยไปวิจัยรูปขันรูปธรรมเอายกตัวยอย่างอย่างนี้เลยเนา ะ, ะในขณะที่ว่าอีาบวยืนเดินนั่งนอนใช่ไหมแต่เราจะดูเวทนานะ เราจะดูเวทนาที่ที่อาศัยในธรรมะแต่เร า, า, าเอาศัยียาบทเข้าใจใชหมก็ เ, เ, เริ่มอยู่กับยาบทในกรณีที่อยู่กับยาบทในการที่พิจารณาในด้านขยาบทอยหนึ่งจิติีคิดนะั่วายโยธาเนะี่ยเข้าใจนะเข้าใจ ม, มุมนี้นะแล้วก็รู ป, ปากายเริ่มเข้าใจเบเสร็จแล้วแต่นี้ที่พอเข้าใจในลักษณะอย่างนี้แบบว่าเดิน ในขณะที่เดินไปอยู่เนี่ยอันนั้นรูปประกายกําลังเดินไปอยู่ใช่ไหมถามว่าก่อนหน้าที่รูปประกายจะเดินเขาเรียกว่าอะไรยืนยืนก่อนใช่ไหมฉะนั้นในขณะที่เดินเนี่ยรูปประกาบรูปรูปรูปธรรมหรือรูปธรรมที่เป็นไปในขณะยืนนี่ดับไหงดับแล้วเนาะตอนนั้นรูปธรรมหรือรูปธรรมอารูปธรรมก็เป็นปัจจัยแก่รูปธรรมใช่ไหมในการเดินไปอยู่ไอ้ที่เดินไปอยู่นี่เป็นรูปธรรมยังไม่เดินไปอยู่ใช่ไหม แต่จิตที่คิดจะเดินอันนี้เป็นนามธรรมนะแล้วก็าวาโยธาส์นั้นเป็นรูปธปรรมใช่ไหมที่เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาต์วิญญาต์ก็เป็นปัจจัยเกิดียาบทเป็นไปเนี้ยก็เริ่มเข้าใจพอเดินไปอยู่เบียเศตนี้พอหยุดปุ๊บรูปธรรมอรูปธรรม ท, ที่เป็นไปในขณนะเดินดับไหมดับไปแล้วใช่ไหมแล้วดีใช่ไหม bukan? แต่อนนี้รูปธรรมอรูปธรรม ท, ที่ในขณะยืนเป็นปัจจุบันอยู่ใช่ไหมที่กำลังเป็นไปอยู่ใช่ไหมส่วนรูปธรรมและรูปธรรมที่จับเกิด ใช่ไหมคือการที่ไปนั่งอะไรก็แล้วแต่อันนั้นเป็นนาคตนะแล้วก็เริ่มเข้าใจสามการเนาะเข้าใจสามการอย่างเงี้ยการเห็นความเป็นจริงโอ้โหเขาเริ่มเข้าใจว่าแม้ในขณะที่ยืนในขณะที่เดินในขณะ ท, ที่นั่งในขณะที่นอนก็มีเจตานาความจงใจอะ่ะในการยืนเดินนั่งนอนต่างๆนี้เป็นกรรมเลยเนี่ยโอ้โหเนเป็นเมื่อถ้าเรามีสติสมัมผัสชัญญาณในขณะที่เป็นไปอยู่เป็นกุศลกกรมอยู่ไหม แล้วบางครั้งเราเผลอเลยเป็นไปกับบาปเอาสัตว์ทั้งหลายก็เริ่มวิจัยไปแล้วตอนนี้เหมือนเรานั่งอยู่เนี่ยเราสามารถวิจัยยาบททั้งหมดได้หมดเลยนะอ๋อสัตว์ทั้งหลายทำกรรมในยาบทยืนเดินนั่งนอนเยอะเลยที่ทําชั่วเนี่ยนะบางคนก็นอนทําชั่วก็มีใช่ไหมนอนทําชั่วนอนเราคิดบาปเล็กเยอะแยะหมดวางแผลเนี่ยนะบางคนก็นั่งทําชั่วใช่ไหมบางคนก็ยืนทําชั่วบางคนก็คิดทําชั่วบางคนก็เดินทําชั่วอะไรเนี่ยนะ บอกโอคนมีอยาบทของสัตว์ทั้งหลายมีไว้โดยการทํา อ, อกระลกรรมก็เยอะออสัตว์บางท่านบุคคลได้ตัดสรู้ก็ใช้อยาบทนี่เองเป็นตัวตัดสรู้ในการทํากรรมใช่ไหมเขาสามารถประชุมมรรคกรรมได้เพราะการยืนเดินนั่งนอนเป็นตัวเราเนี้นะเราก็เริ่มเข้าใจโอ้เนี่ยยาบทนั้นเป็นเป็นเต็มไปกับกรรมก็เยอะแยะแล้วมีปัจจัยเยอะที่เป็นปัจจัยเกิดยาบทต่างๆเหล่านั้นแล้วพิจารณาบอก ตัวปัจจัยก็ไม่เที่ยงแม้ยาบทก็ไมเทียงมิเดนเข้าใจอย่างนี้เบ็ดเสร็จเนี่ยนะเริ่มประชุมลงอริยสัจพอเห็นความเป็นจริงของเนี่ยลักษณะเห็นความไม่เที่ยงเห็นเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาเบ็ดเสร็จเนี่ยสมณัสเกิดเลยพ ย, ยัอย่างสมณัสเกิดยังไงไม่น้อมที่จะมีอยาบทต่อไปแล้วไม่น้อมที่จะมีสังขารอีกต่อไปแล้วประดดูเห็นไฟไหม้ในภพสามเลยนะใจน้อมไปใน มีนิพพานเป็นอัจฉาิยะการมีนิพพานเป็นอัจฉาิยะเป็นอัจฉริยะใยอะแล้วใจก็เกิดโสมนัตขึ้นวันเรามีสารณะเนี่ยนวล น, น้อมไปที่โลกุตระสารณคมคือน้อมไปในวิบากลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเนคขมะอาศัยโสมนัตโสมนัตที่อาศัยเนคขมะเขาใหญอย่ายงนี่วิปัสสนาญาณเกิดแต่ใจเป็นไปด้วยโสมนัตอาศัยเนคขมะ คืออาัยวิปัสนาเป็นเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนรันดรแล้วเกิดโสมนั้ติทําไมถึงเกิดไม่ใช่เห็นโดยความที่โลภะโทรศัพ ม, ม, มหะไปเห็นใ ช, ใช่ไหมอย่างว่าพ่อต้องตายเนี่ยเห็นด้วยโทรศัพท์ไหมอูเสียใจพ่อต้องตายพ่อต้องตายโทรมานัทไหมโทรมานัทอย่างที่เห็นด้วยปัญญาเป่าเห็นพอ่อพ่อต้องตายนี่เป็นไม่เที่ยงใช่ไหมแต่เห็นด้วยโทรศัพท ไม่เห็นตัวโัพท์มันจะเป็นอย่างนี้ไม่สมแน่นอนหรอกไม่สมมแนหนอกแต่ถ้าเห็นด้วยมหากุศลเนี่ยมันจะสองกลุ่มกลุ่มเบขาก็สมมนะใช่ไหมแต่ว่าเห็นแล้วเนี่ยจะเป็นไปเพื่อความอาถรรพ์เป็นไปเพื่อความมุ่งมั่นเป็นไปเพื่อการถ่ายถอนวิปัสสนายะเป็นแบบนี้ก็ให้สังเกตุที่ว่าถ้าเห็นอนนิจางทุกข์ของหน้าตาเนี่ยมันน้อม ในเบื้องต้นจริงๆเนะ่ยน้อมน้อมมีน้อมมีนิพานเป็นอชาัยะเป็นอัจท ย, ยาใส น, นั้นแล้วเป็นเห็นใจักที่ันเห็นแต่แต่นมามรูปอริเฉดนยานหรือเป็นเห็นญาตที่สมสมมนญาณสมมติสนญาณคืออันญาตที่หงันเห็นแค่ว่าแยกลยนามได้ไดจริงๆท่านไม่ใช้คำว่าแยกก็คือสามารถรู้ว่าอันนี้ลักษณะนี้คือลักษณะเธ อ, อเอางี้ว่าท่านกามาัา ไปวิจัยเห็นตามความเป็นจริงของนามหรือลูปแล้วก็เข้าใจบัญญัติของนามรูปได้ชัดสภาวะลักษณะที่ไม่เหมือนกันของอาสนะจํำรูปของเขาแต่ลย่างเห็นสภาวะลักษณะด้วยน่เห็นสภาวะลักษณะแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันแล้วก็สามารถที่จะวิจัยได้เข้าใจได้แล้วก็เป็นอาการเห็นเหตุไก่ของของนามหรือรูปนั่นคือเหตุปัจจัยของเขาทั้งปัจจัยไกลด้วย ใช่ใช่นั่นคือปัจจัยประกอบแล้วไปไปเห็นไตรลักทีนี้ก็คือสามัาไรั ก, กในที่นั้นเห็นทั้งปัจจัยแล้วก็เห็นทั้งตัวปฏิยุบันด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนา้าไปเห็นได้ตรงนั้นเห็นพราะกาัคคือ ใ, ในออหลักจริงๆก็คือตรงนั้นเขาเราียกว่านั่นแหละเห็นปฏิจจุบันด้วยความไม่ตไตรลักษณ์ปวิจัยตัวปฏิจจะนั่นแหละคือปฏิจจตัวนั้นก็คือว่าเป็นธรรมที่เป็นเห็นอะไรเห็นตัวปัจจัยแล ไปเห็นตัวปฏิจจสมุปปนธรรมด้วยคือปัจจิยุบันใช่ไหมนั่นแหละกรณีที่เห็นทั้งปัจจัยเห็นทั้งปัจจิยุบันธรรมเนี่ยตัวลักษณะอย่างนั้นนะและเห็นโดยความไม่เที่ยงนะเห็นโดยความไม่เที่ยงเห็นโดยความเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาถ้าจะไปเห็นเฉพาะแต่ปัจจยุบันธรรมอย่างเดียวไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นเขาเรียกไม่พ้นทุกผู้ใดเห็นปฏิจจุบันว่าใช่ไหมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราใช่ไหม ต้องเห็นอย่างนั้นต้องเห็นในลักษณะอย่างนั้นถ้าไม่แทงตลอดปฏิจจาก็พ้นรุ่งไปได้ใช่ไหมทั้งการเห็นปัจจัยด้วยเห็นปฏิยุบันด้วยไม่ใช่ไปเห็นแค่ปัจยุบันอย่างที่เรามามาพูดพูดกันอย่างเดียวทั้งนั้นยุ่งนะครใช่ไหมต้องเห็นทั้งปัจจัยเห็นทั้งปฏิยบนันแต่ว่าเราจะเรียกยังไงใช่ไหมถ้าเป็นภาษาของใช้ยศภาษาก็าจริงๆก็คุยอย่างนักวิชาการอย่างจริงๆก็คุยกันแบบก็บอกว่าถ้าเห็นทั้งปฏิจจานนั่นคืออะไรก็ต้องไปวิจัย ปฏิจจสมุปาณาธรรมกับปฏิจจสมุปปนาธร์เห็นไหมก็ต้องก็ต้องพูดเองไงทีนี้ในการเห็นปฏิจจใช่ไหมเช่นว่ากรณีที่บอกว่าเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเห็นปฏิจจไหมใช่ก็คือนามรูปไงนามรูปคืออายตนะก็คือภาษาคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพี่ต้นก็ว่าไปใช่ไหมก็มันไล่ไปตามแบบถ้าบอกว่าวิชาเงี้ยวิชานี่ก็ท่านประชุมลงอริยสัจสังขารก็ต้องประชุมลงอริยสัจ วิญญาณนามรูปสรายยตนาภาษาเวทนาตนาบาทานาวัาตราชฉลามวรณะมันก็ต้องประชมลงอริยสัจให้ได้ทั้งหมดโดยสรุปก็คือว่าเห็นขันห้านี่แหละก็เห็นปฏิจจุบันแต่ไม่ใช่เห็นเฉพาะตัวรูปเวทนาตัญญาสังขารวิญญาณนะเห็นตัดใจของขันห้าด้วยก็เลยมาแยกกันใช่ไหมที่เรากล่าวกันนี่ยพะพูดถึงเรื่องเวทนาเราเอามาวิจัยในเวทนานุปัสนาจิวถานเอาตัวเวทนามามาวิจัยกันเอาสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็เบขาเวทนามามามากล่าว พอบอกอิสุขเวทนาเนี่ยตัวปัจจัยของเวทนาคืออะไรภาษ า, าปฏิจจานนั่นเองเห็นไหมเอาภาษาอย่างเดียวพอไหมไม่พอนูน่นอาวิชาตันหากรรมเพราะจริงๆโดยหลักได้ตัวเวทนาเนี่ยมันมาได้เลยถ้าปัจจัยไกลก็มไม่ใช่มาแค่ภาษานะมาจากาวิชาใช่ไหมเพราะความไม่รู้ถ้าเรารู้เราจะมาประกอบเวทนาในปัจจุบันได้พบทําไมใช่ไหมเพราะโทษการไม่รู้นี่ถึงทำกรรมให้ได้เวทนาในปัจจุบันเนี่ย ใช่ไหมเวทนาที่เป็นไปกระทั่งเวทนาต่างๆของส ม, มุปลิ้งกายใจเนี่ยเวยทนาที่มันประชุมลงในกระแสะขันเนี่ยเป็นหนึ่งในขันห้าเนี่ยไอเวทนาเหล่านี้ที่มันได้มาเนี่ยใครให้มาตัณ ห, หาตัณหาอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องเจต น, นากรรมที่บวกกับตัณหาเอาแค่เจตนากรรมบวกกับตัณหาอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้อะไรว้าเอาวิชาเอาวิชาคือความมืดความไม่รู้ไงเราไปเห็นเวทนาเป็นเป็นสุขใช่ไหมเออโยมสุวรรณโอ่งไปวิจารณายโยมคิดอยู่นะ เออเราไปเข้าใจว่าลองคิดดูดิถ้าพูดว่ามนุษย์เนี่ยถ้าเราพูดอย่างภาษาผู้ศึกษาผู้ธรรมะมจริงๆเนียเหมือนพวกเราทั้งหลายเนี่ยไม่ง่แท้อาตมาเคยว่าตัวเองนี่นะที่ทำไมถึงโง่เออเราจะไปคอนโทรลจะเอาแต่สุขเวทนาใช่ไหมเวทนามีสามเนี่ยว่าด้วยหลักใหญ่ยัง่ยคือสุขเวทนาก็มีทุกขเวทนาก็มีแล้วอทุกขมสุขเวทนาก็มีวเวทเก้าเวทอะไรบอกเราจะไม่เอาแล้วเวทนาโฉงเราจะเอาสุขเวทนาด้วยที่โยมบางคล มันบังคับได้ไหมบอกว่าเราจะเอาเวทนาแต่ขอสุขเวทนาไม่เอาทุกข์ไม่เอาเวี้ยขาแล้วก็ไปนั่งบอกว่าเจ้าบุญคขอให้ข้าไปเจ้ามีความสุขขอให้ครอบครัวเข้าไปเจ้าประสบแต่ความสุขเลยขอให้ลูกของเข้าไปเจ้าปลอดภัยนะไปเรียนหนังสือกลับมาด้วยความปลอดภัยมีความสุขยใช่ไหมนี่คืออะไรเนี่ยเราต้องการไปคอนโทรลขอให้ลูกนั้นมีแต่สุขเวทนาซึ่งมันเป็นไปได้ไหม เราที่ฐานแบบฉลาดหรือไม่ฉลาดเหมือนฉลาดขอเหมือนไม่ใช่ของจริงใช่ไหมแต่เราก็หวังกันอยู่อย่างเงี้ยหวังว่าเขาจะปลอดภัยหวังว่าเขาจะได้ดีหวังเขาว่าเขาจะได้ประสบความสุขหวังเขาจะได้เป็นใหญ่เป็นตัวเลยคือเราหวังนี่ก็ได้สุขุเวชนะนั่นเองเขาบอกปราถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเห็นไหมเราไม่ได้แน่นอนปราถนาอย่างนี้ไม่สําเร็จแน่นอน เพราะมันไม่มีทางเป็นไปได้ขนาดเ อ, อต่อให้มีสบา่าบาดมีที่ได้ขนาดไหนยังบรรดาให้สุขเวทนาให้มันเที่ยงไม่ได้เลยไม่ได้เพราะเพราะเวทนามไม่เที่ยงเพราะปัจจัยของเวทนานไม่เที่ยงยิ่ยไปคอนโทรลบอว่าสุขเวทนาเท่านั้นเกิดใ น, ก, ดในกระแสขันนี้ถ้ากราะแสขันนี้ต้องเกิดทุกเวทนาไปทําได้ที่ไหนล่ะอ๋อเขาไปเริ่มตั้งแต่นู้นเลยอุตยญาปยญาณไปเลย คือเข้าไปนับเอาตัววิปสัสสนาญาณเขาก็จริ ง, รงๆเวทีตามนั้นเลยทีนี้คือต้องเข้าใจคําสอนของพระพูดที่เจ้าเนานะพระเลขาจารย์ท่านรู้พุทธาธิบานท่านรู้พุทธประสงค์มีภาษาลีบุตรมีพระโมฆลลานะถึงทน่านทุกวันนี้ก็มีพระบางรูปออกมาเพราะฏิเสธพระเลขาจารย์แต่มานนในใจว่าเจ้าปะคุ้เก่งเหลือเกินเก่ ง, ก <laughs> กงจริงจริง ไม่ก็อยากเจอลเลยวกลาแบบก็คือเดี๋ยวพูดตรงให้จบก่อนเพราะพูดไปแล้วก็คือไปไปค้านแล้วเอาตื่นทำแมออกมาก็ดังเพียงบ้างเนี่ยหลายคนเขามาเล่ า, ามาฟัางามาก็โอ้เยอะกว่คนเดิก็คือนเ้ใจไหว่าเกิดมาอุตสาหได้บวชเข้ามาในศาสนาสติปัญญาตัวเองอเคนงน่นี้เข้าใจไหมใช้คำบังอาจลบหลู ระดับผ้าจักรราใจไปสาคัญว่าตนเองเกิดมาในยุคสุดท้ายไปหรอมีปัญญามากหมดทั้งทีนี้ถ้าไปเจอท่านผู้รู้ถามขึ้นมาจะตอบแค่นั้นเองใช่ไหมจะไปตอบอยังไงนั่นจะไปพูดให้กับคนบางกลุ่มก็ไปอัดทิถีให้บางคนกลุ่มก็สร้างพวกสร้างกันนานขึ้นในสุดจริงๆก็ถามว่าเราศึกษาคําสอนเนี่ยเกิดมาในยุคสองพันกว่าปีประมาณตนเองไม่เป็ น, น, นจริงไหม ประมาณประเมินตัวเองไม่ออกเลยถามบอกว่าปุรุชนเนี่ยถามว่าพระตรัปีดกเนี่ยอยู่ในสมองตัวเองทั้งหมดหรือเปล่าเห็นไหมที่บางอาจขนาดนั้นเนะ่ยก็ไม่หมดอีกเมื่อไม่ไม่แม้มมมมมมจะจําพระตะพดยังจําได้ไม่หมดเลยนะ่ะแล้วบางอาจใช้คำว่าบาังอาจเนะี่ยเขาเรียกว่าคนไม่รู้จักตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากว่าพอมีคนมาเล่าให้ฟังทีอะไรมั น, นโทษของการที่บุงทีมาอ่านคข้าพระธรรมอยู่ไม่กี่ปีเลย แต่ด้วยการที่อ่านด้วยความเข้าใจผิดเห็นผิดขาดครูบาอาจารย์ไม่เรียนมาตามระบบไม่ได้ผ่านครูบาอาจารย์ที่เขาช่ำชองในพระธรรมคำสอนอย่างแท้จริงอะไรต่างๆอะไรนี้ทั้งๆทงี่มีฐานมีความ เข้าใจอะไรได้สะดวกง่ายพู้จามีคนเชื่อถือเพราะเหตุปัจจัยในอดีตเขสั่งสอนมาดีใช่ไหมบางคนเนี่ยเกิดมาปุ๊บเนี่ยไปพูดอะไรคนก็เชื่อเยอะไปสร้างเหตุปัจจัยมาดีไปสเสรพราะเห็นมีคนเชื่อเยอะๆก็บิดเบือนต่างๆตามความเห็นของตัวเองไปใหญ่แลท้ที่ความเบ็่อเสร็จแล้วบางทีก็ใช้ความคิดปุโุชนแล้วก็ไปถึงหน้ากลัวงไงจาไว้จะบอกตัณหาสมานุสมานุปัสสนาทิฏฐิสมานุปัสนาและมารณสมานุบัติไม่ใช่แบบัตินถ้าวิจัยอย่างนี้เดี๋ยวเนี่ยเขาจะไปค้านอัตถาถ้าจะค้านเนี่ย อ่านให้จบก่อนถึงไหมถ้าจะค้านพดีกาจารย์ท่านก็ต้องอ่านพดีกาจาร์ให้จบจะค้านอัตถกาถาจารย์ก็ต้องอ่านอัตถกาถาจาร์ให้จบจะค้านพระไตรวิฎกก็ต้องอ่านพระไตรวิฎกให้จบแล้วต้องจบอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสิบรอบให้จบจริงๆนะแล้วจบอย่างคนเข้าใจนะไม่ใช่จบแบบไม่เข้าใจถ้าจบแบบไม่เข้าใจแล้วมานั่งค้านก็เอาเรื่องอะไรนี้ถึงบอกไงบอกว่าก็เลยอยากตรงเนี้ยพอไปเจอในลักษณะอย่างนี้ขึ้นมามาเจอหลายๆมาพูดค้าน คานอัตตกถามีอยู่ครั้งหนึ่งใช่ไหมมค า, านอัตตกถาเนี่ยอามาก็นั่งฟังเนี่ยเม่เสร็จมาอยู่ที่วัดนั่งคานคานอยู่สองตะวันอามาก็ทนไม่ไหวก็เลยไปเคอประตูบอกไอ้ท่านผมฟังท่านคานป้าอตตกถาจารย์มานานแล้วเนี่ยแม้ผมนอนไม่ค่อยหลับ <c oughs> ผมถ้าท่านสามารถอธิบายพุทธพจน์ให้ฟังได้เนี่ยผมจะเลิกนับถืออาจารย์เนี่ยผมจะนับถือท่านเด็ดก็ถามเลยเอายกพุทธคดมาเลยเอาในจิตตะยมกถามเลย เอาปัญหาที่เรียกบัณฑิตนี่แหละจิตของบุคคลใดกำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับจิตของบุคคลนั้นจะเกิดจากดับใช่หรือไม่เอาใช่ตอบหน่อยสิยใช่ไหมนงบางคนเนี่ยแบบแค่ทับแค่ฟังก็ไม่รู้จะตอบไม่เข้าใจไม่คำถาม